บทนี้จกแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนัย่แห่งคำถามที่อาชิตมานพกราบทูลถามพระพุทธเจ้าในตอนต่อไปนั้นได้ แ, แก่คำถามที่ว่าโลกคือหมู่สัตว์อันอะไรเป็นผู้ประชิดกระซิบและสาบทาไว้พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงแสดงว่าโลกคือหมู่สัตว์อันตันหาเป็นผู้กระสิบและฉาบทาเอาไว้เรื่องของตันหานั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์อยู่กับจิตใจบุคคลที่เป็นปุตุชนตลอดไปในการรพปฏิบัติธรรมะทางพระพุทธศาสนานั้นถ้ามองในแง่ของการปฏิบัติแล้ว ทุกแง่ทุกมุมของการประพฤปฏิบัติก็มุ่งไปที่การขจัดกิเลสหรือตัณหานั่นเองแต่เนื่องจากกิเลสประเภทนี้มีลักษณะที่หลากหลายอยู่ในอารมณ์เป็นอันมากธรรมาที่ทรงแสดงจึงหลากหลายตามไปด้วยแต่เพื่อเป้าหมายอย่างเดียวกันดังกล่าวลักษณะของตัณหาจึงผ่านมาหลายครั้งหลายหนแล้ว เฉพาะในที่นี้จะชี้ในส่วนที่เป็นพื้นฐานของตันหาเหล่านั้นส่วนของการมาตันหาที่แปลว่าอาการดิ้นรนทะเยอทยานอยากของใจมุ่งไปถึงวัตถุสิ่งของบุคคลอารมณ์อันเป็นที่ใคร่ปรารถนาพอใจของตนซึ่งตองนี้จะพบว่าเชื้อตันหานั้น ได้มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลแล้วเมื่อบุคคลได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นใจของบุคคลก็จะกาหนดหมายสิ่งเหล่านั้นว่าดีมีคุณค่าเมื่อมีกาหนดหมายไปบอดเข้าก็มีการกระซิบกระสาบทางใจคือนึกถึงไปบอดนั่นเองพระผู้มีพร ะ, ระภาคเจ้าทรงใช้ คำเรียกอาการของจิตในลักษณะนี้วชับ ป, ปาที่แปลว่าตัณหาผู้กระสิบใจในการปฏริบัตินั้นผู้ปฏิบัติสามารถกำหนดเห็นได้อย่างเด่นชัดว่าตัณหาที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้งหลายคือความอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเย็นร้อนอ่อนแข็งหรือสิ่งที่เรียกว่าผลทัพอ่ะตลอดทึ้งในอารมณ์ก็ตามต่ว่าเกิดเพียงครั้งเดียวแล้วดับไป ตันหาในอารมณ์นั้นก็ดับด้วยแต่การที่ตันหาไม่ยอมดับและมีการเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นโดยนําดับนั้นก็เพราะตันหาทําหน้าที่กระซิปใจเช่นกําหนดว่ารูปสวยก็คิดเรื่องสวยอยู่แน่เดียวกําหนดว่าเสียงไพเราะก็กระซิปว่าเสียงนั้นไพเราะเสียงนั้นไพเราะเสียงนั้นไพเราะอยู่ในแน่เดียวหรือว่ากิจรสภูตภะก็มีลักษณะกระซิปเช่นเดียวกันเมื่อมีการกระซิบบ่อยๆข้าว ก, ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในจิตใจของบุคคลถ้าในกรณีที่กระทบอารมณ์จากภายนอกแล้วมาปรุงคิดคิดปรุงจากภายในจะมีอาการเคลื่อนไหวเป็นความเปลี่ยนแปลงทางจิตที่เกิดขึ้นโดยลาดับอย่างที่ทรงแสดงไว้ในนิทานในสูตรว่าเมื่อมีการมธาตุคือการกำหนดว่า เชื่อของกิเลสที่เป็นเหตุได้กำหนดว่าสิ่งนี้เป็นน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจมีอยู่การมาสัญญาคือการจําหมายารูปนั้นสวยเสียงนั้นไพเราะกลิ่นนั้นหอมรสนั้นอร่อยสัมผัสนั้นน่าจับต้องก็บังเกิดขึ้นและตกตะกรู่ภายในจิตใจนั่นเองในบางขณะแม้ไม่มีอารมณ์กระทบจากภายนอกคือตาไม่เห็นรูปเป็นต้นก็ตาม แต่เพราะเชื่อเก่าที่มีอยู่แล้วภายในใจใจของบุคคลก็จะเหนียวนึกเป็นอาการของการมาสังกับปะจะเหนียวนึกโดยอำนาจของความใครมีการกระสิบใจไปเรื่อยในชั้น้องการประพฤติปฏิบัติจึงสามารถสังเกตได้ว่าบางโอกาสในยามปฏิบัติธรรมะอยู่ก็ดีหรือแม้แต่ในช่วงที่ว่างจากภารกิจการงานเราอื่นหลับตาอยู่จะนอนหลับก็ดี แต่ถ้าใจเกิดเป็นเดี่ยวนึกในอารมณ์เช่นนั้นข้าวก็จะมีความดั่ริด้วยอานาจความใคร่ในอารมณ์เหล่านั้นเมื่อมีความดั่ริเกิดขึ้นบ่อยๆความเปลี่ยนแปลงทางจิตก็เกิดขึ้นเป็นลักษณะของกามาชันทะคือความกําหนัดด้วยอํานาจความพอใจในอารมณ์เหล่านั้นและในจุดของความพอใจนั่นเองจิตก็กระเรือยไป สิ่งนั้นน่าพอใจสิ่งนั้นน่าพอใจสิ่งนั้นน่าพอใจเป็นร้อยครั้งพันครั้งปริมาณของความพอใจก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็กลายเป็นความเร่าร้อนด้วยแรงปรารถนาในอารมณ์หล่อนั้นจิตก็เปลี่ยนซึ่งทรงใช้คำบาลีว่ากามะปริลาหะคือความเ ร, าร่าเรอนเพราะกามสิ่งที่ก่อให้เกิดความเร่าเริง น, นั้นจึงมีทั้งภายในและภายนอก ในภ า, ายในคือกิเลสกรรมเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดความร้อนร้อนในภายนอกก็คือวัตถุ ก, กรรมที่จ่ายปกําหนดว่านาใคใายเป็นต้นนั่นเองแล้ว ก, ก็ให้เกิดความร้อนร้อนขึ้นมาพอเกิดความร้อนร้อนมากขึ้นถึงจุดหนึ่งจะไม่อยู่ในแวดวงเหล่านั้นจิตจะเริ่มทายออกไปสู่อารมณ์ต่างๆ บ, บังคับอาการกายอาการวาจาของบุคคลในเคลื่อนไหวมุ่งไปสู่อารมณ์ที่ตัวใครแถวนั้น จึงทรเร็จลักษณะอาการของจิตที่เป็นเช่นนี้ว่าการะปรีปนาคือการส่ายไปของจิตมุ่งแสวงหาเพื่อได้มาสิ่งดับนั้นความเคลื่อนไหวทางกายทางวัช า, า ก, ก็เกิดขึ้นมีการแสวงหาแล้วเมื่อการแสวงหาแล้วก็ได้ได้มา ไ, มได้มาก็จะมีความหวงมีการทะนุถนอมมีการป้องกันมีการรักษาเมื่อใครมายุ่งแย้ง อาลักมาขโมยมาประพฤติผิดต่อสิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดการต่อสู้เบียดเปลี่ยนประหารประหารกันจากจุดย่อยที่สุดจนถึงเป็นสงครามระดับของโลกก็เกิดขึ้นด้วยแรงดันของตันหาทั้งนั้นดังนั้นจะเห็นได้ว่าอาการเปลี่ยนแปลงทางจิตเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นเพราะมีการตรึกนึกบ่อยๆซึ่งจงใช้คําที่อิงอาศัยรูปธรรมให้บุคคลมองเห็นภาพอีกภาพหนึ่งว่ามันจะทําหน้าที่ฉาบถา เหมือนกับสิ่งเอาครนเอาสีเอาอะไรก็ตามมาฉาบทาอยู่บ่อยๆสถานที่เหล่านั้นสิ่งนั้นวัตถุนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่เอามาฉาบทาไว้เอามาฉาบไว้เอามาทาไว้เา ม, าาวมื่อฉาบไปบ่อยข้าเมื่อทาไปบ่อยข้าวสิ่งเหล่านั้นสถานที่เหล่านั้นก็หนักขึ้นหนักขึ้นในที่สุดก็สูญเสียการทรงตัวก็ฉาบทามากข่าวในลักษณะที่ ภาพอยในสมัยพุทธกาลและเห็นได้อย่างชัดเจนในวินัยกําหนดเอาไว้ว่าห้ามไม่ให้โบกกุฏิที่เป็นดินหลายชั้นเพราะว่าเอาดินทับเข้าทับเข้าทับเข้าบ่อ ย, ยในที่สุดกุฏิก็จะพังลงถ้าพระอยู่ข้างในก็อาจจะมรณภาพหรือไม่อยู่ข้างในก็อาจจะทําลายสิ่งของบริเวณนั้นมีนาข้าวข้างชาวบ้านเป็นตน้น พระพินายจึงกาหนดไม่ให้โบกไม่ให้ฉาบไปมากแสดงว่าการโบกการฉาบการทาไว้ไปปล่อยเมื่อถึงจุดหนึ่งก็จะสูญเสียการส่งตัวมังกรบังการาเราเรียกว่าตันหาหน้ามดึดซึ่งก็หมายความว่าการกระซิบใจของตันหานั้นซ้ําซ้อนในเรื่องเดียวจนจิตใจหนาเติะด้วยความรู้สึกในลักษณะนั้นเหตุผลสติปัญญาที่บุคคลจะใช้เพื่อสแสวงหาสิ่งที่ตัวต้องการก็ค่อยๆจางหายไปโดยลําดั บ, ดบ ในที่สุดก็กลายเป็นหน้ามึดเป็นอาการของโมคะที่เต็มที่ควบคุมอาการกายวาจาของบุคคลให้แสดงออกไปในทางที่ผิดตำนองครองธรรมซึ่งสงใช้คำว่าทุจริตได้แก่การประพฤติชั่วประพฤติแล้วประสบความลําบากประสบความเดือดร้อนและความเดือดร้อนนั้นมีผลกระทบตั้งแต่ตนเองและแก่บุคคลอื่นทั้งในปัจจุบันและในภายภาคหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาภาพจิตของบุคคลที่ถูกปรุงถูกกระซิบ ไปถูกชาบทาด้วยกระแสตัณหานั้นก็จะมากูลไปด้วยตัณหานานาประการในอารมณ์ทั้งหลายแล้จะแกว่งไปสายไปทั้งในส่วนที่เป็นอดีตทั้งในส่วนที่เป็นอนาคตทั้งในส่วนที่ปิดเป็นปัจจุบันจนเกิดความสับสนวุ่นวายขึ้นภายในจิตใจดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงลักษณะของตัณหาที่บุคคลเห็นได้ชัดเจนในสูตรของอริยศาสตร์ว่า ก่เกิดความมีความเป็นที่สืบเนื่องกันไปพอใจในสิ่งนั้นก็พอใจเร้่ไปยกตัวอย่างว่าพอใจในอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเกิดความพอใจเกิดความยินดีในอาหารนั้นก็กระซิบมาไปรับประทานอาหารนั้นอีกและในสุดก็ต้องรับประทานอีกบางคราอาหารที่ตนพอใจเกิดอยู่ไกลก็ต้องเสียน้ํามัน เ, เสียเวลาเสียท่ายานพาหนะไปเพื่อรับประทานอาหารเหล่านั้นนั่นก็คือเพราะแรงดัน เพราะการกระซิบของตานหาที่บังเกิดขึ้นภายในใจนั่นเองต่อไปก็จิตใจจะกำหนัดเพลิดเพลิพนยินดีอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นในรูปในเสียงในกลิ่นในรสก็ตามและจะเพลิดเพลินยิ่งขึ้นสาบใดที่จิตไม่หักเขออกไปจากอารมณ์เหล่านั้นทำไมจึงใช้คำว่าหักเขออกไปก็นี้จะเห็นได้ว่าอารมณ์นั้นที่จริงเป็นอัปยากฤิตคือกลางกลางรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะธรรมารมณ์นั้นเป็นกลางกลาง ไม่ดีไม่ชัว่วหรือตัวขั้งแกเองแต่การจะก่อให้เกิดกิเลสหรือ ก, ก่อให้เกิดธรรมะนั้นก็เกิดขึ้นในอารมณ์เดียวกันนั่นเองอะไรเป็นตัวแปรคืออะไรเป็นตุกษิษฐ์ใจตามตัณหากสิบใ จ, บ ใ, จใจก็จะถูกฉาบทาด้วยตัณหาจนน่าตื่นแต่ถ้าหากว่ปัญญากกซิบใจใจก็จะถูกฉาบทาถูกชำระล้างด้วยปัญญาก็จะมีความผ่องใสปรากฏเกิดขึ้นในใจนั่นเองดังนั้นวัตถุเดียวกัน แต่ว่าบุคคลกำหนดด้วยอารมณ์คือสิ่งที่เป็นปัจจัยให้กำหนดนั้นแตกต่างกันจะมีความรู้สึกต่ออารมณ์ไม่เหมือนกันอย่างที่เคยยกตัวอย่างเรื่องพระจิตตาหัตกะเทระมาแล้วว่ากำหนดบุคคลคนเดียวกันนั้นกำหนดในแนวหนึ่งด้วยแรงของการมอาตมหาก็เป็นเหตุให้เทียวสึกเทียวบวชอยู่หลายครั้งหลายคราวแต่พอกำหนดอีกแนวหนึ่งเป็นกำหนดด้วยสติปัญญาเหตุผลความเป็นจริงของชีวิตก็ตทําให้ท่านหลุดพ้นจากคันธนาการเหล่านั้น การกำหนดในแนวกระซิปด้วยแรงของตันหาจึงก่อให้เกิดความกำหนัดและความเพลิดเพลินในลักษณะที่หมุนวนแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นเกิดขึ้นภายในจิตอยู่ด้วยไปดังนั้นจึงทรงแสดงว่าตันหาเป็นเครื่องกระซิปและเป็นเครื่องฉาบทาใจของสัตว์โลกเอาไว้ไม่จะเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์โดยสารหรือเทวดาที่อยู่ในชั้นจักามาพจรก็ตามประการต่อไปคือภวะตันหา เพราะว่าตัญหานั้นแปลว่าจิต ท, ที่ดิ้นรนทะเยอทะยานจากในความเป็นต่างๆตัวการที่ก่อให้เกิดความดิ้นรนนั้นส่วนลึกจริงๆอยู่ก้นบึ้งของใจจริงๆนั้นได้แก่สิ่งที่ท่านเรียกว่าสัจธรทิฏฐิคือมองเห็นสภาวะเหล่านั้นสิ่งนั้นอารมณ์เหล่านั้นฐานะเหล่านั้นตำแหน่งเหล่านั้นตลอดทั้งชีวิตของตว น, นว่าเป็นของที่แท้แน่นอนดูแล้วใคยๆจะ มีความขัดแย้งกันอยู่ภายในตัวเองเราก็สวดเราก็สาธยายปัญหาปัจจเบันขณะกันอยู่เรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความแก่ไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความตายไปได้เรามีความพลาดพลากแก่ของรักั้งชอบใจเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นไปได้เป็นต้นนี้ทำไมจึงเกิดเห็นอย่างนั้นข้อ น, นี้จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสถานะความเป็นต่าง มันจะมีความกระซิบใจว่าต้องฉันเท่านั้นหรือฉันต้องเป็นถ้าไม่มีฉันแล้วจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จนบางครั้งบางคราวความรู้สึกของผู้เป็นทั้งหลายที่เป็นสูงสู ง, สงขึ้นไปจะมีความว่ารู้สึกว่าฉันคือรัฐรัฐคือฉันซึ่งหมายความว่ารับจะขัดฉันไม่ได้และฉันจะต้องอยู่กับรัฐตลอดไปคนอื่นจะมาช่วยชาติบ้านเมืองไม่ได้เป็นต้น ละทันต่างๆในประวัติศาสตร์ได้สะท้อนถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นด้วยแรงภาวะตันหาเหล่านี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรไปแล้วจากความเป็นต่างๆเนื่องจากลักษณะของตันหามีความฉาบทาและเป็นความเป็นยางเหนียวสิ่งที่นำไปฉาบทานั้นเป็นยางเหนียวด้วยเราก็มองเห็นภาพได้ชัดว่ายางเหนียวที่ไปฉาบทาไว้แม้เราจะไปดึงออกมันก็มีความเหนียว ม, มีความหนืดที่พร้อมจะเด้งมือเรากลับไปอีกทีนึง แล้วกลับไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะาตันหาที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้งหลายเมื่อเกิดกระซิบใจแล้วก็ฉาบฉาบแล้วก็เหนียวเหนียวก็ดึงออกได้ยากเพราะฐ า, านะความเป็นที่เป็นรูปธปรรมคือคนเป็นในตำแหน่งต่างๆนั้นจึงสังเกตว่าจะมีความรู้สึกว่าขาดตนไม่ได้และ ต, ตนจะต้องเป็นอยู่ตลอดไปแม้วัยวมือเท้าจะบังคับบัญชาอะไรไม่ได้แล้วก็ตามแต่มีความรู้สึกว่าต้องฉันเท่านั้นเอง ดังนั้นปัญหาเรื่องแรงดันของภาวะตันหาที่บังเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลกระซิบใจและฉับพาใจเอาไว้จนกลายเป็นยางเหนียวหนืดไม่ยอมที่จะสลัดตอนออกมาก็ปรากฏออกเห็นให้เห็นในเชิงรูปธรรมเป็นอันมากทําให้บุคคลครอบงตำตําแหน่งหน้าที่การงานเป็นอันมากเอาไว้เพราะรู้สึกว่าต้องเป็นฉันเท่านั้นเองความรู้สึกเหล่านี้ดูที่ไม่รู้แจ้งเห็นจริงถึงความเป็นจริงในสิ่งทั้งหลาย แล้วไม่พยายามใช้บทเรียนถึงของชีวิตเรื่อของประวัติศาสตร์ให้เกิดเป็นประโยชน์ขึ้นมารเราะแท้จริงแล้วโลกไม่ได้มีอยู่เพียงวันสองวันโลกมีมานานแล้วมีคนสําคัญเกิดขึ้นแล้วคนนั้นก็ตายไปแต่โลกก็ไม่ได้ตายสังคมก็ยังมีอยู่ชาติประชาชนก็ยังมีอยู่ซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่จําเป็นจะต้องเราท่านนั้นใครก็ได้ที่มีคุณธรรมความรู้ความสามารถสามารถรักษา ประเทศชาติบานเมืองรักษาสังคมรักษาศา ส, สนาได้เป็นต้นก็จะไปได้ทั้งนั้นไอลักษณะของศาสจะทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยงนั้นจึงดูลึกภายในจิตใจการปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาระดับวิปัสสนาปัญญาพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความจริงว่าไม่ว่าอะไรก็ตามไม่ใช่ของเราที่แท้จริงไม่ใช่เป็นเราอย่างแท้จริง และไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนของเราอย่างแท้จริงในชั้นของสมมตินั้นก็สมมติกันไปแต่ควรจะหยุดอยู่ในใจจุดหนึ่งได้ถ้า่หากปริมาณของปัญญาเหตุผลบังเกิดขึ้นจิตใจได้ถูกกระสิบกระซาบด้วยปัญญา mm. ก็จะสามารถจางคลายผ่อนบรเทาอาการหนาเตอะของความรู้สึกในแนวนี้ลงไปได้แต่ถ้าหากว่าไม่มีการกระสิบใจด้วยปัญญาแต่ปล่อยให้ตาหากระสิบเรื่อยไป ก็จะกลายเป็นความยึดความติดอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงอุปมาให้เห็นเป็นรูปธรรมทั้งหนึ่งนานมาแล้วได้เกิดเล่าให้ฟังพระเจ้าทรงยกตัวอย่างเมื่อวานนอนที่ติดตังวันนอนที่ติดตังนั้นตังเป็นอย่างเหนียวเหมือนกับตันหาที่เหนียวแต่ให้ดูในเชิงรูปธรรมว่าตังนั้นมันเหนียวเมื่อคนไปติดเข้าตรงใดตรงหนึ่งวันนอนไปติดสมมุติว่านั่งแล้วก็ติดติดก็ลุกขึ้นไม่ได้ เราคือไม่ได้เอามือแกะมันติดมืออีกเอาท้าไปแกะันติดเท้าอีกเอาปากไปกัดก็ติดปากอีกในสุดก็ติดหมดนั่นคือลักษณะการฉาบการไล่กันถากของอารมณ์ที่ใจไปกําหนดหมายในแนวนั้นว่าต้องเราเป็นหรือต้องฉันเป็นหรือปฉันเท่านั้นเป็นตนในสุดมันก็กลายเป็นความติดความข้องอยู่ในโลกอาการต่อไปนั่นคืออาการของวิภวะตัณหา วิภาวะ ต, ตันหานั้นมีลักษณะของโทสะปรากฏอยู่มากคือกิเลสสายโทสะปรากฏอยู่มากในขณะเดียวกันก้นบึ้งจริงๆที่ปรากฏออกมาเป็นรูปวิภาวะ ต, ตันหานั้นคือมองสิ่งทางหลายด้วยอำนาจของอุเฉติฐิคือมองในแง่ของความขาดสูญมองในแง่ของการทำลายได้มองในแง่ของความสูญสิ้นไปได้ดูแล้วน่าจะดีแต่ว่าอาศัยการไม่มองในแง่ของเหตุปัจจัย แต่มองในรูปของความขาดศูนย์ก็ยึดถือว่าอะไรขาดศูนย์ไม่มองในประเด็นปลีกย่อ ย, อยต่างๆเจ็ดว่าออกมาในรูปของความชื่อถือที่เกี่ยวกับสังสารวัตรก็ถือว่าตายแล้วก็ะสุดออกมาในรูปของกรรมเรียกว่านัตติกะทิชิคือไม่มีกรรมไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีคุณของพ่อของแม่ไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีโลกอื่นเป็นต้นนั่นคือรูปของความคิดในทํานองปฏิเสธแต่เป็นการปฏิเสธเหตุปัจจัย ซึ่งเป็นกระบวนการของธรรมชาติธรรมดาที่ทางพุทธศาสนาเรียกว่าปฏิจจสมุ ป, ปาฏบ้างเรียกว่าอิทธปัจจิตาบ้างหรือกว่าปัจจยการบ้างที่สรุปรวมลงเป็นกฎของอริยศาส์ทั้ง4ี่ประการความรู้สึกในแนวนี้แท้ที่จริงแล้วก็วคือความไม่พอใจในจุดหนึ่งแต่มุ่งควยคว้าในจุดหนึ่งซึ่งตอนนี้จะเห็นได้ว่ามีในบุคคลทั้งหลายตราบใดที่ยังถูกกระซิบใจได้แรงของตันหานเหล่านั้น อาจจะยกตัวอย่างในฝ่ายพระ ก, ก็ได้เช่นาเป็นรายทาคณะสามัญเป็นเจ้าคุณชั้นสามัญเมื่อตอนที่ยังเป็นพระครูเป็นมหาก็ดิ้นไปด้วยภาวะตันหาอยากจะเป็นในตำแหน่งเหล่านั้นพอเป็นไปสักพักหนึ่งใจก็คว้าต่อไปดังนั้นทําให้นายในภาวะที่ตัวเป็นคือไม่ยินดีในภาวะที่ตัวเป็นด้วยแรงของภาวะตันหาแต่ก็มีตัวดันที่แฝงอยู่อีกตัวหนึ่งคือภาวะตันหาต้องการดิ้นไปเพื่อจะเป็นพระราษฎร์ต่อไป เป็นชั้นล่าตั้งสองสามปีก็เกิดนายในตัวนั้นเองเพราะมีคนอื่นที่ใหญ่กว่าคือมีชั้นเทพใหจกว่าอยู่อีกมันก็ดิ้นต่อไปเรื่อยๆแล้วแม่ขึ้นไปถึงสูงก็ต้องดิ้นไปเรื่อยๆนั้นเพราะแรงดันของตาหากแกก็ซิปอยู่เรื่อยไปขึ้นไปอยู่จุดสุดยอดแล้วก็ต้องตีออกข้างเพื่อกระจายความรู้สึกทั้งๆที่อยู่ข้างบนสุดแล้วก็ตีกระจายออกไปข้างเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปครอบงํางงภารกิจทั้งปวงเอาไว้จะต้องอยู่ในมือชั้นชั้นจะต้องรับรู้จะต้องรายงานให้ฉันรู้ อะไรสารพัดในสุดพวกก็กลายเป็นหมุนวนกันอยู่ในเรื่องแบนี้ดังนั้นจิตใจที่ถูกตัณหาเป็นเครื่องฉาบทาเอาไว้ก็ให้เกิดความหนาขึ้นในอารมณ์ของบุคคลดองนั้นเช่นจะมุ่งไปในจุดใดจุดหนึ่งสักอย่างหนึง่งตัวอย่างเช่น <c oughs> มีตัณหาในาในาฬิกาหรือตัณหาในหลายคราบหรือตัณหาในสแตมหรือตัณหาในใดก็ได้ หรือตนาในสตางค์ก็จะมีการกระซิบกระซิบว่าต้องได้อีกยังน้อยไปต้องได้อีกยังน้อยไปยี่ห้อ น, น้นยังไม่มีชนิดนั้นยังไม่มีสมัยนั้นยังไม่มีในที่สุดก็ต้องสะสมกันเต็มบ้านเต็มช่องแต่ก็ยังไม่พอมันต้องสร้างบ้านใหม่เพราะมีหลายรุ่นหลายยีห่ห้อหลายขนาดหลายยุคหลายสมัยด้เกิดนี่ก็คืออาการกระซิบใจที่ทรงแสดงให้เห็นออกมาเป็นรูปธรรมทําไมจะต้องอิงอาศัยรูปธรรม พระธรรมนั้นเป็นนามธรรมดูกันให้เกิดความเข้าใจนั้นยากกันแม้แต่ในสูตรของอริยศาสตร์เพื่สังเกตว่าพระพุทธเจ้าก็ใช้รูปธรรมเข้าช่วยในเรื่องข้อสุดท้ายแทนที่จะพูดว่าข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับไปแห่งตันหาไม่ใช่เพราะตันหาเป็นนามธรรมพูดแล้วฟังไม่รู้เรื่องก็พูดว่าทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทา แปลว่าข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความสงบระงับดับปลายแห่งทุกข์ที่จริงในเชิงของการปฏิบัติไม่ได้ดับทุกข์แต่เป็นการดับตัณหาเสียก่อนซึ่งเป็นตัวเหตุเมื่อตัณหาดับทุกข์ก็ดับแต่การพูดถึงตัวเหตุนั้นคนมองไม่เห็นก็ต้องพูดดับผลเฉยเมื่อพูดดับผลแล้วบุคคลต้องการจะประพฤติปฏิบัติเพราะไม่ชอบผลดี๋ยนั้นก็ต้องปฏิบัติเพื่อดับเหตุที่ให้เกิดผล ก็ทํานองเดียวกับคนป่วยที่หมอจะต้องพูดชี้แจงถึงโทษที่กําลังเสียดแทงอาการของโรคที่กำลังเสียดแทงอยู่เพื่อบุคคลเหล่านั้นจะได้หวาดกลัวจะได้เพียรพยายามขาจัดอาการเหล่านั้นออกไปแต่บทจะขจัดจ ร, จ ร, จ ร, จริงๆต้องไปขจัดที่สมุดฐานของมันไม่จะไปขจัดที่อาการของมันชั้นใดก็ดีการสอนธรรมะของพระผู้มีพระพักเจ้าก็มีลักษณะเช่นเดียวกันฉช่นนั้น ขันจากตัวอย่างเหล่านี้บุคคลสามารถที่จะระลึกรู้ทันอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจได้ว่างถ้ายามใดที่ใจไปกระซิบด้วยแรงของตัณหาในอารมณ์ทั้งหลายจะกระซิบในรูปเสียงกินรสผลภัณฑ์เบื้องหน้าของกามาตัณหาก็ต่จะกระซิบในฐานะความมีความเป็นต่างๆด้วยแรงของภวะตัณหาก็ต่างหรือจะกระซิปด้วย นาหนาของวิภาวะตัณหาก็ตามนั้นในสุดความรู้สึกเหล่านั้นจะเพิ่มขึ้นจะเพิ่มขึ้นจะจับเกาะอยู่ที่จิตของตนมากยิ่งขึ้นกลายเป็นตัณหาในอารมณ์ทั้งหลายและถ้าหากมีตัณหามากความเปลี่ยนแปลงทางจิตก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าไม่มีความสงบที่พระพุทธเจ้าทรงอุ ป, ปมาอีกแนวหนึ่งให้เห็นว่ า, เ, าเหมือนกับขลิ่น เหมือนกับคลื่นในทะเลไม่สงบไปตลอดระยะเวลาชั่วนาตาปีคลื่นในทะเลไม่สงบเลยจิตใจของบุคคลที่กำหนัดในอารมณ์ทั้งหลายก็จะมีลักษณะอย่างนั้นคือเป็นคลื่นไม่สงบตราใดที่ไม่สามารถจะปรองใจในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งได้หรือตัดกระแสาอารมณ์เหล่านั้นได้ก็เป็นคลื่นอยู่เรื่อยไป <c oughs> ซึ่งคนนี้บุคคลอาจจะสังเกตได้ ในอาการเคลื่อนไหวทางกายที่ปรากฏด้วยแรงฉาบตาแรงกระซิบและฉาบถาของตาา่าจะต้องการจะไปซื้อของอย่างใดอย่างหนึ่งในห้างสรรพสินค้าแห่งใดแห่งหนึ่งถ้าใจใจกระซิบอ่า น, นั่นดีนั่นสวยนั่นของมาใหม่นั่นคนอื่นเขาไม่มีถ้าเรามีเราจะได้เป็นเจ้าของคนแรกแห่งประเทศไทยและในที่สุดก็จะต้องดิ้นไปเรื่อยไปถึงแม้แต่จะซื้อของสักอย่างถ้ากําหนดจะเรื่อยไปนั่นดีนั่นก็ดีอันนี้ก็ดีอันนู้ น, นก็ดี ใจะจะกาหนดอย่างนั้นก็เดินเวียนไปเวียนมาอยู่แม้จะซื้อของสักอย่างก็ตกลงไม่ได้เพราะใจยังถูกกระซิบด้วยแรงดันของตัณหาอยู่ดั่งไปจิตใจของบุคคลจึงมีลักษณะเช่นนี้เองการปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสตร์สนาในชั้นหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนชั้นอินทรียสังวรเพื่อไม่ถูกกระซิบมากเกินไปเพราะว่าสิ่งที่บุคคลกําหนดหมายนั้นจะไม่อื่นไปจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์แลธรรมารม กาหนดอยู่ห้าเรื่องหเรื่องนี้เท่านั้นเองที่จริงก็ห้าเรื่องคือรูปเสียงกษษษษษิริย์ประพติภส่วนธรรมารมณนั้นแท้จริงเป็นของเก่าใจทำหน้าที่เคี้ยวกินอารมณ์เฉยเฉยที่ท่านอุปมาเหมือนวานนอนที่กินอาหารเข้าไปแล้วก็อาหารส่วนหนึ่งใสไ่ไว้ที่กระพุ้งแก้มเมื่ออาหารข้างนอกหมดแกก็เอาอาหารนั้นมาเคี่ยวต่อไปลักษณะเคี้ยวกินอารมณ์ของใจก็เป็นเช่นนั้นคือใจก็ฉาบทาในอารมณ์เหล่านั้น พระใจเปเหนียวนึกไปกระซิบไปนั่นดีนั่นอร่อยนั่นไพเราะนั่นสวยนั่นงามเป็นต้นทรงสอนให้มองเห็นในเชิงรูปธรรมเช่นนี้แล้วเพื่ออะไรเพื่อบุคคลมองเห็นโทษของตัณหาได้เปลี่ยนพยายามปฏิบัติเพื่อจะตัดกระแสะแห่งตัณหาซึ่งการจะตัดนั้นแท้จริงก็เป็นอุบายวิธีทุกขั้นตอนดังกล่าวมาแล้วในตอนตอนน้นการปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาทุกขั้นตอนนั้นมุ่งที่จะบรรเทาพวกเหล่านี้เอง รือูดในแง่ว่ามุ่งจะบรรเทา โ, โรคปรดหลงท่านนั่นเองในการคาศาสตร์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมชั้นศีล น, นั่นเหตุได้อย่างชัดเจนว่าเหตุที่บุคคลต้องไปกระทําผิดที่เกี่ยวกับร่างกายชีวิตทรัพย์สินของบุคคลอื่นนั้นก็เพราะโลภะโทสะโมหะแรงเกินไปพอมาถึงชั้นของสามาถะ ก, ก็อีกและวก็มุ่งที่จะบรรเทาความรู้สึกเหล่านี้ให้หย่อนลงไปจนจิตใจสามารถสงบได้เยือกเย็นได้เป็นปกติได้มีสุขภาพจิตใจของดีขึ้น แม้จะเดินขึ้นไปถึงวิปัสนาจนถึงมรุญนิพานก็มีเป้าหมายอย่างเดียวเท่า น, นั้นเองคือมุ่งที่จะสงบระงับดับไปแห่งตัณหาทั้งหลายตัณหาจึงเป็นตระหัสประธรรมคือธรรมะที่บุคคลจะต้องละโดยส่วนเดียวแต่ว่าในการละนั้นแน่นอนแจะเกิดไม่ใช่ว่าละได้พูดพลาดการปฏิบัติจึงต้องเริ่มด้วยการขัดเกลารด้วยวิธีการต่างๆอย่างที่ทรงวางอย่างที่ทรงแสดงไว้ แต่ว่าโลกนั้นก็คือโลกเป็นอย่างนี้อยู่ทุกยุคสมัยจิตใจของสัตว์โลกถูกกระซิปด้วยตัณหาในอารมณ์ทั้งหลายได้ถูกฉาบทาไว้ด้วยตัณหาในอารมณ์ทั้งหลายพระพุทมีพระรภากเจ้าก็ชี้สภาพความจริงแห่งโลกซึ่งว่าที่จริงก็มีอยู่ก่อนพระองค์มาตัดสรุรูแต่พระองค์ตัสุรูก็รู้แจ้งเห็นจริงถึงความเดือดร้อนต่างๆในโลกว่าเกิดขึ้นด้วยการกระซิบด้วยแรงดันของตัณหาดังกล่าวเมื่อบุคคลได้พิจารณาตามเห็นตาม และมองเห็นโทษไปตักแก่ใจของตอนได้แล้วจะเป็นการกระตุ้นเตือนให้บุคคล น, นั้นเพียรพยายามที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อให้มีการกระซิปด้วยแรงดันของตานาน้อยลงเมื่อกระซิบไปแรงดันของตาหานลดลงตานาก็จะฉาบถาใจของบุคคลในน้อยลงใจก็จะมีการทรงตัวเองได้มีความเป็นตัวของตัวเองได้ในชั้นหนึ่งและเมื่อขัดกราวไปโดยลาดับ ผลในชั้นนั้นนั้นก็จะบังเกิดขึ้นตามสมควรแก่การประพิปฏิบัติแท่งตนต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป